วันนี้ที่จริงอาตมานัดจะมาทำวัดพระอุปชานี่ท่านถูกทางคณะสงเรียกไปไประชุมเจ้าคณะจังหวัดซะก่อนเลยไม่อยู่เลยไม่ได้ทำวัดเรื่องเทศเป็นเรื่องคนปล่อยได้มีใครเป็นคนสุรินทร์บ้างยกมือให้ด้วยหน่อยอะไรนิดนะึง ก็เห็นในะหน้าควรกรุงเทพ <c oughs> คนสุรินทะร์มีบุญเมืองสุรินทร์นะเป็นเมืองของคนฉลาดนะฉลาดมีสติปัญญาสมาก็มาเรียนกับหลวงปู่ดูลที่นี่เลยกุฏิท่านอยู่ตรงนี้ทั้งสมัยโน้นคนไม่ค่อยรู้จักท่านกรนะะทั้งคนสุรินทร์ก็รู้จักเฉยๆไ ม, ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระปฏิบัติ ที่เก่งคนสุรินไปหาหลวงปู่ฟัน้นจะไปเรียนกับหตรงปู่ฟัน้นหลวงปู่ฟั่นถามว่ามาจากไหนบอกมาจากสุรินท่านแม่งบอกอาจารย์ท่านอยู่สุรินคนได้ค่้ยรู้จักหลวงปู่หลวงปู่เลยมีบุญนะอายุยืนถ้าคนรู้จักเยอะอายุไม่ยืนหรอกตอนหลังๆรถทัวร์มาท่านต้องรับโยมเยอะๆสุดท้ายอยู่ไม่ไหว ไม่สบายมาเรียนจากหลวงปู่ดูลนะท่านสอนกรรมฐานที่แปลกนะท่านสอนกรรมฐานที่เหมาะกับคนเรียนแต่สมัยนั้นคนที่เรียนกับท่านมีไม่มากแต่ละวันแต่ละวันนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนมาทําบุญมีมากกว่าคนมาเรียนซืด้วยซ้ําไปบางคนท่านก็สอนให้พุโทโธนะพุโทโธพุโทโธ แล้วค่อยๆสังเกตว่าพุโทโธเป็นของถูกรู้ถูกดูพุโทโธเป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นมานท่านสอนอย่างนี่ยเข้าไปหัดพุดโทโธก็สังเกตไปพุทโธเป็นสิ่งที่จิตไปคิดขึ้นมาพอไปเห็นอย่างนี้เข้าแ네ล้วก็จับเอาตัวผู้รู้ขึ้นมาได้ตัวจิตนั่นแหละพุโทโธเป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นแล้วพุโทโธพุโทโธ ค, ค่อยๆสังเกตพอจับได้ตัวจิตขึ้นมาเข้ามาดูจิตต่อไม่ได้ไปเพ่งให้จิตนิ่ง แต่มาดูจิตทำงานต่อไปนะบางคนท่านก็ให้ทำความสงบนะแล้วก็พิจารณากายแยกกายเป็นส่วนๆนะอย่างนี้ท่านสอนท่านอาจารย์สุจินอนาะจารย์สุจินบวชประมาณปีนะสองสามสอนแยกร่างกายเป็นส่วนๆพนะิจารณาดึงเลยดึงแขนดึงขาดึง คาริงท่านาจะสุจิตตนี่ท่านเรียนมาจากหลวงปู่หลุยก่อนเน้นแยกร่างกายนี่หลวงปู่โดยก็มาสอนต่อยอดให้ว่าให้สลายกายแล้วก็เข้าสู่จิตแยกร่างกายเป็นส่วนๆๆๆในส่วนก็เห็นในร่างกายทั้งหมดนะสลายไปเหลือแต่จิตที่เป็นคนรู้ร่างกายก็เห็นอย่างนี้นก็จับเอาตัวจิตขึ้นมาได้แล้วมาดูจิตต่ออาจจะมาะตั้งแต่เด็กๆหัดอนาปนสติ หายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทฝึกอย่างเงี้ยมหาหลวงปู่แล้วหลวงปู่บอกให้ดูจิตต่อไปเลยเราพุทโทแล้ ว, ลวหัดพุทโทหัดหายใจไหมก็จับได้ว่าตัวพุทโทตัวลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้านี่หัดอย่างนี้บางท่านนะท่านหลวงปู่ดูลท่านให้ดูกระดูกดูกระดูกเป็นสมถะนะเบื้องต้นทำ เดินจงกรมไปก็ดูกระดูกไปนะชื่อหลวงพ่อ ง, งานไม่ทราบยังอยู่ปล่แบบาก็ไม่รู้ถ้าอยู่ก็อายุมากเวลาท่านเดินจงกรมนะท่านเห็นร่างกายท่านเป็นกระดูกเดินอยู่แล้วมีกระดูกอีกสี่สี่โครงนะล้อมอยู่สี่ทนะิศเดินไปได้วยกันนะดูไปได้สุดท้ายก็สลายกระดูกไปนะเข้ามาที่จิตได้หรือบางทีท่านสอนสอนอย่างหลวงพ่อคืนว่าน่าเรียนจํา สอนดูผมเส้นเดียวดูผมเส้นเดียวนะบอกอย่าดูสองเส้นสามเส้นอย่าดูหลายๆเส้นหลวงก็คือนบอกเสียใจนะหลวงปู่ดูลให้กรรมฐานนิดเดียวนะสอนคนอื่นสอนตั้งเยอะแยะสอนท่านให้ดูผมเส้นเดียวทีแรกไม่ยอมดูเพอไม่ยอมดูก็ไม่ได้ผลเลยภาวนาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลอยู่มาวันหนึ่งนึงนกได้ว่าหลวงปู่สอนให้ดูผมเส้นเดียวก็เลยมาดูดูผมผมมันรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ ดูรูปร่างมันอย่างนี้ก็เป็นกระสินนั่นเองเป็นกระสินสีสีดําสีขาวนี่ก็กระสินดูรูปร่างมันก็เป็นกระสินดินเยเห็นเป็นเส้นเส้นสัมผัส ด, ดูแล้วเป็นเส้นเส้นอย่างนี้แข็งแข็งเ็กระสินดินปรากฏว่าดูเส้นเดี่ยวเนี่ยจิตสงบจิตรวมให้มาภาวนาต่อได้นั่นจะบอกว่าหลวงปู่ดูลเนี่ยสอนอะไรเนี่ยพูดยากมากเลย ว่าท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะท่านสอนตามจริตนิสัยของคนเรียนนะยิ่งแต่ว่าสมัยนั้นคนที่เรียนกับท่านมีไม่มากนานๆเนี่ยมาเรียนสักทีหนึ่งเวลาจะเข้าไปเรียนกับท่านนะไปกราบท่านบอกว่าอยากปฏิบัติอนะไรเงี้ยจะขอปฏิบัติท่านไม่สอนหรอกท่านไม่พูดง่ายๆนะท่านจะนั่งเงียบๆนั่งหลับตาไปเงียบหนึ่งเป็นชั่วโมงบางทีพอท่านลืมตาขึ้นมางทีเราเดงอดรึกเลยโอ้หลวงปู่ แก่มากแล้วนะเราถามน่ยเดียวหลวงปู่นั่งหลับตาแล้วหลับไปเลยนะคิดว่าหลวงปู่หลับจริงท่านไม่ได้หลับนะท่านพิจารณาว่าเราควรกักมมัฏฐานชนิดไหนพอท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยว่าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้แนตะ่แต่ละคนไม่เหมือนกันจากจุดที่ท่านสอนเนี่ยมันจะรู้หลวงพ่อก็ได้รู้ว่ากรรมาฐานเนี่ยทางใครทางมันนะ ไม่มีหรอกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับทุกๆคนมีแต่กรรมฐานที่ว่าคนนี้เหมาะกับอย่างนี้คนนี้เหมาะกับอย่างนี้แต่ว่ามาถึงยุคนี้เนี่ยเราหาครูบาอาจารย์ที่เก่งอย่างหลวงปู่ดูลไม่ได้หลวงปู่ดูลบอกได้เลยว่าคนนี้ให้ไปฝึกแบบนี้ถ้าไปฝึกแบบอื่นจะไม่สาเร็จในยุคนี้ส่วนมากก็ต้องมาสังเกตเอาเองว่าเราลองหัดพุดโทโธ แล้วจิตสงบไหมจิตตั้งมั่นไหมนะถ้าจิตสงบจิตตั้งมั่นเราก็ไม่อยู่กับพุทโธเรารู้ลมหายใจแล้วจิตสงบตั้งมั่นขึ้นมาได้ไหมถ้าได้เราก็มาอยู่กับลมหายใจเราดูท้องผองยุบแล้วจิตสงบจิตตั้งมั่นได้ไหมนะถ้าดูท้องผองยุบแล้วจิตสงบจิตตั้งมั่นเราก็มาดูท้องผองยุบนะเลือกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เหมาะกับตนเอง ไม่ได้เลือกตามคนอื่นไม่ได้เลือกตามอาจารย์ไม่ได้เลือกตามแฟชั่นไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตนะเบื้องต้นหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนจะพุโทโธก็ได้จะลมหายใจก็ได้จะดูท้องฟองยุบก็ได้นะจะเคลื่อนไหวทําจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้ให้มันมีอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตไว้ก่อนนะพอจิตอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันนี้แล้วเนี่ย ถ้าถูกกิบจริตนิสัยนะจิตสงบสบายถ้าไม่ถูกกับจริตเวลาเราภาวนาใช้อารมณ์กรรมฐานที่ไม่ถูกจริตเนะ่มันจะอึดอัดเราค่อยๆเลือกนะค่อยๆสังเกตนะเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาบอกเราได้ว่าให้ไปทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ะะเคยทําแบบนี้มาห้าร้อยชาติแล้วอะไรเงี้ยไม่มีใครบอกนล้วสังเกตตัวเองว่าทําแบบไหนแล้วสติเกิดบ่อยเอาแบบนั้นแหละทํำยังไงเรารู้สึกตัวบ่อยเอาแบบนั้นแหละ ถ้าพุโทโธแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยๆใจลอยไปแล้วรู้ไวๆนะก็พุโทโธไปถ้าหายใจแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยนะใจลอยไปแล้วรู้ไวๆก็หายใจไปนะอะไรก็ได้ไม่ดีไม่เลวไปป่ะกันเนะงั้นนักกรรมฐานจริงๆไม่ทะเลาะกันหรอกว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนมันเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเท่านั้นเองนี่พอเราหัดกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาแล้วนะจิตเราสงบอยู่กับอารมณ์นั้นนั้นแล้วเนี่ย อันนี้เราได้ได้ไดพักผ่อนนะได้สมถกรรมฐานถัดจากนั้นเราต้องพัฒนาจิตใจตนเองขึ้นไปอีกเพื่อจะไปเดินวิปัสสนาให้ไดนะ้การทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะความจริงของกายของใจก็คือความเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่คือความจริงนะ แล้วเราจะมาเรียนวิปัสนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเรียนให้เห็นอย่างนี้นี่ก่อนที่จะมาเห็นตรงนี้ได้เราต้องปรับพัฒนาจิตให้พร้อมที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจวิธีปรับก็ปรับมาจากกรรมฐานเดิมที่เราทํานั่นแหละเคยหาพุโทโธก็พุโทโธไปแล้วค่อยๆสังเกตนะพุโทโธเป็นสิ่งที่จิตไปคิดขึ้นมา เข้ามาที่จิตได้จิตเป็นคนคิดหายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือหายใจเฉยๆไม่พูดโทก็ได้หรือหายใจไปเข้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรมีนับหนึ่งด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองด้วยเนี่ยบางคนก็ฝึกหลายอย่างไม่เหมือนกันค่อยๆสังเกตไปหายใจไปหายใจไปนะร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนรู้ลมหายใจเนี่ยค่อยฝึกอย่างนี้นะ ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาที่จิ ต, ตจก่อนที่จะไปเดินวิปัสสนานะจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเสียก่อนถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราทํำวิปัสสนาไม่ได้จริงงั้นเราต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเหมือนที่หลวงปู่ดูลสอนนั่นเองะพุทโธแล้วก็เห็นจิตที่เป็นผู้ว่าพุทโธนะดูร่างกายไปจนร่างกายสลายเข้ามาสู่จิตเข้ามาที่จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเอง งันหลวงปูดูลสอนเนี่ยสามารถท่านสอนอะไรท่านสอนให้เราทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งที่เราถนัดแต่และคนถนัดไม่เหมือนกันแต่เมื่อทำกรรมฐานนั้นแล้วไม่ให้จิตไปติดอยู่ในความสุขความสงบกับอารมณ์กรรมฐานอนั้นอย่างเดียวจะต้องพัฒนาต่อไปอีกหายใจเข้าพูดออกโทรไปก็ได้นะแล้วก็เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูในฝึกอย่างนี้ พุทโธอย่างเดียวไม่หายใจด้วยก็เห็นจิตมันคิดคำว่าพุทโธพุทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะไปเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนรู้คนดูเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูเนะี่ยค่อยๆฝึกไปนะกรรมฐานอะไรก็ได้ฝึกไปจนกระทั่งเห็นว่ามันมีจิตนั่นแหละเป็นคนดูจะขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนนะมือเคลื่อนไหวก็รู้สึกมือหยุดนิ่งก็รู้สึก ฝึกไปฝึกไปก็จะเห็นจิตเป็นคนไปรู้เป็นคนไปดูร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ฝึกอย่างนี้นะกรรมฐานอะไรก็ได้เอาสันานหนึ่งฝึกไปแต่ว่าฝึกจนทั้งเข้ามารู้่านจิตตัวเองได้เกิดจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูสภาวะธรรมนะนี่พอเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูสภาวะธรรมได้แล้วคราวนี้เราไปเดินปัญญาต่อได้ค่อยๆดูไปร่างกายเป็นของที่จิตไปรู้เข้า ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ um. เป็นสิ่งท enfin well? ี่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าฟวงอย่างนี้ฝึกมากเข้ามากเข้านะในที่สุดมันสามารถแยกได้ว่าอะไรคือจิตอะไรคืออารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพอเห็นจิตไปรู้อารมณ์ได้แล้วคราวนี้ให้สังเกตจิตต่อไปอีกนะ เวลาที่จิตรู้อารมณ์แล้วเนี่ยจิตไม่รู้เฉยๆจิตมักจะเกิดปฏิกิริยาต่ออารมณ์มนนั้นขึ้นมาเกิดความยินดีต่ออารมณ์มนนั้นเกิดความยินร้ายต่ออารมณ์มนนั้นขึ้นมาเช่นตามองเห็นสาวพอตามองเห็นสาวนะจิตเกิดราคะเกิดปฏิกิริยาไม่ได้รู้อย่างเดียวว่าตามองเห็นรูปอย่างหนึ่งแต่ไปคิดว่าตาเห็นสาวสวยขึ้นมาจิตเกิดราคะ ให้มีสติรู้ทันว่าราคาเกิดขึ้นแล้วต่อมาพอจิตไปรู้ราคะาราคาเป็นสิ่งที่จิตรู้เป็นอารมณ์อันใหม่ผู้หญิงเป็นอารมณ์อันแร ก, ากตามมองเห็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นอารมณ์อันแรกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพอเห็นผู้หญิงแล้วเกิดราคะยินดีพอใจราคาเนี่ยเป็นอารมณ์อันใหม่เป็นปฏิกิริยาจาก การที่ไปเห็นผู้หญิงนั่นแหละแล้วมากลายเป็นอารมณ์ันใหม่ที่จิตไปรู้ให้เรามีสติรู้ทันว่าราคาเกิดขึ้นไม่ต้องไปดูที่ผู้หญิงแล้วผู้หญิงเป็นอดีตนะให้รู้ทันปฏิกิริยาเมื่อตามองเห็นผู้หญิงปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่จิตคือเกิดราคะให้รู้ทันที่จิตนีพวกเราเห็นว่าจิตมีราคาขึ้นมาเราไม่ชอบนะไม่ชอบเลยที่จะมีราคาเรารู้สึกว่าราคะไม่ดี พอเห็นว่าราคาไม่ดีจิตไม่ชอบให้เรารู้อะไรให้เรารู้ทันปฏิกิริยาของจิตไหรู้ทันว่าจิตไม่ชอบนะพอเรารู้ทันว่าจิตไม่ชอบแลวความไม่ชอบก็ดับไปตอนที่รู้ทันราคาเนีราคามันก็ดับไปจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกนี่ฝึกไปบ่อยบ่อบ่อยฝึกไปเรื่อยนะจนกทั้งจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูในทุกๆสถานาการณ์ มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้คนดูมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นจิตก็เป <people arp> <ment> ็นคนรู้คนดูแถมไม่ดูเฉยเฉยดูแล้วยินดีดูแล้วยินร้ายดูแล้วโลภดูแล้วโกรธ ด, ดูแล้วหลงนะี่คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยการที่เรารู้ทันจิตมากๆเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างอย่างแรกเลยทันทีที่เรารู้ว่ามีกิเลสเกิดขึ้นนะกิเลสจะดับไปโดยอัตโนมัติเพราะว่ากิเลสจะไม่เกิดร่วมกับสติกิเลสก็ส่วนหนึ่งนะ สติก็อยอีกส่วนหนึ่งไม่เกิดด้วยกันไม่เกิดร้้มกันเมื่อไหรมีสติรู้ทันว่ามีกิเลสเมื่อนั้นกิเลสดับเองไม่ต้องไปดับมันนะเพนั้นใจเราสบายใจเราไม่มีกิเลสนะการดูจิตก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะเช่นจิตมันฟุ้งซ่านไปพอเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านไปจิตมันสงบนะได้สมาธิด้วยนะดูจิตนะได้ความสุขได้ความสงบดูจิตไปเราเห็นเลยจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะ เราคอยรู้ใคอยดูทําตัวเป็นแค่คนดูแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดนะต่อไปเราก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าตัวจิตนี้เองไม่เที่ยงนะเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวโหดหูนะเนี่ยเห็นอย่างนี้เรื่อยไปเกิดปัญญาขึ้นมา ว่าจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตที่มีราคาเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตที่มีโทสะเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตที่ฟุ้งซ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะจิตที่เป็นสุขเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่เป็นทภูเกิดข sort of ึ้นช <huh ั่วคราวแล้วก็ดับเนี่เราหัดดูไปด้วยเราเห็นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะหัดดูอ <|so|> ย่างนี้จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษคือจะได้ปัญญา ได้รู้ความจริงว่ากระทั่งตัวจิตเองนะที่เรารู้สึกว่าคือตัวเราตัวเรานะั่นแหละดูไปจริงๆแล้วมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับอารมณ์อย่างอื่นนั่นเองนะว่าะมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเสมอๆพอเห็นอย่างนี้มากๆนะก็จะเข้าใจความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงไม่มีในโลกไม่มีคําว่าตัวเรานะ นั้น <necessary. S 2> ถ้าดูจิตเป็นนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะมีอะไรเป็นตัวเราในโลกนี้มันจะไม่มีอีกแล้วถ้าถ้าถ้าเห็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างเดียวนะทั้งโลกนี้ไม่ใช่เราถ้าไม่ยึดจิตได้อย่างเดียวนะทั้งโลกนี้จะไม่ยึดอะไรอีกเพราะจิตนี่แหละเป็นตัวใหญ่เลยเป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงนะถ้าเราเห็นในหัวหน้าหัวโจกเนียว่ามันยังไม่ใช่เราเลยเราไม่มี สิ่งอื่นๆก็จะไม่ใช่เราด้วยถ้าเราไม่ยึดถือจิตสั้นเดียวนะก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกด้วยนะเนี่ยต้องฝึกถึงจะเป็นถ้าไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกก็มีความสุขนะสบายนะค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปนะงั้นพวกเราหัดดูจิตดูใจตัวเองนะการภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะยังไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติ การปฏิบัติเนี่ยต้องเข้ามาให้ถึงใจตัวเองให้ได้เลยหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไหลใหองค์นะนอกจากหลวงปู่ดูลแล้วยังเรียนจากหลวงปู่เทศอีกลองปู่เทศสอนเลยนะว่าการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเข้ามาถึงใจได้ถึงจิตถึงใจนะถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติถ้าภาวนาแล้วยังเข้ามาไม่ถึงจิตใจตัวเองเนะี่ยไม่ได้สาระแก่นสารหรอกนะยังได้ที่ผิวผิวที่เปลือกเปลือก อย่างเราไปหายใจเข้าพุดธออกโทแล้วแล้วก็ ส, สงบอยู่แค่นั้นไม่เห็นหรอกว่าพุทโทเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรอันนี้ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะได้น้อยหายใจออกหายใจเข้าไปเห็นร่างกายหายใจนะจิตสงบอยู่ลมหายใจก็ได้แต่สมถะยังไม่ได้เท่าไหร่นะถ้าจะได้มากขึ้นก็คือรู้ทันว่าร่างกายที่หายใจอยู่นะั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมันจะเห็นตัวจิตขึ้นมา ถ้าเห็นตัวจิตขึ้นมาได้แล้วจะได้หัวโจกนะได้ตัวประธานของธรรมะทั้งหลายเราก็มาฝึกภาวนาไปเราก็เห็นจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ดูไปด้วยเราเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่รู้มันด้วยใ จ, ใจที่เป็นกลางนะไม่ใช่จิตภาวนาแนละ้วทำยังไงจิตจะมีความสุขอย่างเดียวเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มีความสุข แต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่ากระทั่งความสุขก็ไม่เที่ยงกระทั่งความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็ไม่เที่ยงกระทั่งจิตก็ไม่เที่ยงนะภาวนาเพื่อให้เห็นตรงนี้ต่างหาถ้าภาวนาเพื่อจะเอาความสุขความสงบก็จะได้แต่สมถะกรรมฐานแต่ถ้าภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์นะตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายก็ตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะ จะเป็นพระโสดาสกตาคาผ่านาคาผ่าอรหันได้ก็ต้องเห็นร่างกายเห็นจิตใจเนี่ยแสดงใจลักไม่ใช่เห็นอย่างอื่นหรอกไม่ใช่ให้มันสงบนิ่งๆนะต้องเห็นความเป็นใจลักของเขาไปเรื่อย ๆ, ๆถึงจะได้นะนี้ยพวกเราฝึกนะพอไหวไหมเคยฝึกกรรมฐานบ้างไหมหรือจะมาฟังอย่างเดียว <c oughs> เอาใครเคยพุโทโธยกมือให้ดูหน่อยคเคยพุโทโธบ้าง โอ้ยังเยอะนาะทางนี้ล่ะทางนี้ล่ะใครเคยรู้ลมหายใจแล้วก็พุทธโธไปด้วยหรือรู้ลมหายใจอย่างเดียวมีไหมโอ้ก็ยังเยอะนะดีนะหลวงพ่อสังเกตอย่างนะคนทางสุรินนะชอบภาวนาเป็นเรื่องแปลกมานานลนะคนทางอีสานทางเหนือนะอีสานทางเหนือนี่ชอบทาบุญ คนทางสุรินทางอีสานทางใต้เนี่ยชอบภาวนานี่เป็นเป็นเรื่องเป็นข้อเด่นนะอย่างคนสุรินไม่ร่ำรวยเหมือนจังหวัดอื่นเขาอะไรเงี้ยสีเสกเกศสุรินได้ภาวนาเก่งเนี่ยเยอะเลยนะทั้งพระทั้งโยมงั้นเราค่อยๆรักษาสืบทอดการภาวนาไว้นะเคยพุโทโธหัดพุดโทโธไปเคยหายใจหัดหายใจไปใครเคยฝึกดูท้องพองยบบ้างมีไหมน่ายกมืออ๋อมีไม่มากเท่า ไม่มากเท่าคุดโถไม่มากเท่าลมหายใจนะใครเคยฝึกแบบหลวงพ่อเทียนขยับมือมีไหมเอ่ยโอ้ยังมีอีกนะเออเก่งดีใครเคยหัดเดินจงกรมรู้อิทธิยาบทสี่มีไหมโอ้นักภาวนานเยอะนะใครเคยรู้เวทนาฝึกรู้เวทนาเนืเ อ, อรู้สึกบางคนฝึกทุกอย่างเฉลอยจะเอาดีไม่ได้สักอย่าง กรรมฐานนะเอาให้มันได้หลักสักอันหนึ่งนะถ้าได้หลักอันหนึ่งแล้วไปทําอันอื่นทําได้แต่ถ้าทําอันนี้แล้วก็เปลี่ยนไปอันโน้ น, โนอันโน้นเปลี่ยนมาอันนี้นะไม่ได้ได้หลักนะเมืันจับจดไป น, นั่นเอาอะไรก็เอาสักอันหนึ่งนะให้มันเด็ดเดียวลงไปแล้วค่อยๆสังเกตไปพุทโธไปก็เห็นว่าโอ้พุทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหายใจไปก็เห็นว่าลมหายใจร่างกายที่หายใจก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่ ต้องเรียนเข้ามาให้ถึงจิตนะพอเรียนเข้ามาถึงจิตได้จะเห็นเลยทุกอย่างเป็นสิ่งที่จิตไปรู้นะงั้นจิตนี่แหละเป็นหัวโจกเป็นประธานในสภาวัธรรมในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นะค่อยๆเรียนจนได้ตัวหัวหน้าของมันะจับโจรก็จับหัวหน้าทีเดียวเลยะหัวหน้าโจรอยู่ที่จิตเรานี่เองนะเพราะว่ากิเลส น, นี่แหละซ่อนอยู่ในจิตเรานะเรียนต้อเรียนให้มาถึงจิตนะถึงจะรู้เลยว่ากิเลสเนี่ยหนาแค่ไหน เรียนเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเอยงยากนะที่จะเห็นกินเลสเพราะกิเลสซ่อนอยู่ในใจกิเลสไม่ได้ซ่อนอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องสักหน่อยนะงั้นค่อยๆหัดไม่ว่าจะฝึกอะไรนะค่อยๆสังเกตไปนะพุทโธก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ลมหายใจก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ท้องพองยุบก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้นะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นสิ่งที่จิตรู้ <enfin S 2> ขยับมือทําจังหวะก็เป็นสิ่งที่จิตรู้อะไรๆก็เป็นสิ่งที่จิตรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ แล้วก็ครดูไปอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงแต่อย่าให้นิ่งให้มันทํางานได้นะแต่นิ่งแล้วก็ไม่ทํางานอะไรสงบอย่างเดียวเนี่ยจะไม่มีปัญญานะแต่ถ้าสงบอยู่แล้วยังเห็นมันทํางานได้ถึงจะใช้ได้นะเช่นเมื่อตามองเห็นใช่ไหมตามองเห็นแล้วจิตมันทํางานขึ้นมาเห็นอะไรเห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตมันกลัวนี่มีปฏิกิริยาขึ้นมา อย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ให้มีสติรู้ทันว่าความกลัวเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็เห็นอีกความกลัวเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า น, ะ, น ะ, ะในความกลัวกับจิตเป็นคนละอันกันนะก็จะเห็นในความกลัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่กลัวเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันกลายเป็นจิตที่รู้ว่ากลัวเป็นคนละดวงกันนะแสดงว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักเมื่อกี้จิตที่แรกเห็นม า, าวิ่งมากลัวจิตที่กลัวเป็นจิตที่มีโทสะนะ เป็นกิจิตที่มีกิเลสตระกูลโทสะต่อมาเรามีสติรู้ทันว่าจิตกลัวนะจิตดวงนี้เป็นกุศลละไม่ใช่มีกิเลสเป็นจิตที่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเห็นเลยโทสะมันไม่ใช่จิตหรอกมันแยกออกไปนะค่อยฝึกนะเรียนอย่างนี้นะไม่ใช่หมาบ้าวิ่งมาก็เฉยนิ่งอย่างเดียวหมาบ้าวิ่งมากัดก็อูเบกขาออไอ้นั่นโง่แล้วนะ ไม่ใช่อุเบกขาหรอกนะไม่มีสติไม่มีปัญญาไปขวางหมาบ้านหมาบ้าวิ่งมาเราก็เราก็วิ่งหนีสินะไม่ต้องวิ่งเร็วที่สุดในโลกหรอกวิ่งให้ชนะเพื่อนสักคนหนึ่งก็พอล้วเพราะง่ายๆนะเมื่อตามองเห็นจิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอะไรขึ้นมาก็รู้ทันนะเมื่อหูได้ยินเสียงนะ จิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายเกิดกุศลอกุศลอะไรขึ้นมาก็รู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเนะีเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเงี้ยจิตเกิดปฏิกิริยาขึ้นมายังอากาศร้อนเมื่ออากาศร้อนแล้วก็อบอบนะจิตเกิดปฏิกิริยาลำขาดเนี่ยให้เรารู้ทันว่าราําคาญไม่ใช่รู้ทันว่าร้อนนะให้รู้เข้ามาให้ถึงจิตให้ได้ถ้ารู้ทันว่าร้อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใครๆเขาก็รู้าอากาศร้อนใช่ไหมแต่ถ้าร้อนแล้วจิต เกิดปฏิกิริยาไม่พอใจหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรารู้ทันจิตตัวเองพอรู้ว่าหงุดหงิดแล้วเนี่ยเห็นอีกจิตอยากให้หายหงุดหงิดนักปฏิบัติไม่ชอบกิเลสพอเห็นจิตหงุดหงิดไม่ชอบให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบนะให้รู้ทันว่าจิตมันไม่ชอบความหงุดหงิดไม่รู้ซ้ําเข้าไปอีกความไม่ชอบความหงุดหงิดก็ดับจิตก็เป็นกลางในที่สุดจิตจะเข้าสู่กว่าเป็นกลาง โดยที่เราไม่ได้เจตนาบังคับนะจะเข้ามาเองมาสู่ความเป็นกลางของมันเองหลวงปู่เทศเคยสอนบ่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะแล้วท่านก็บอกอีกคําว่ากลางอะไรคือกลางใจนะั่นแหละคือกลางเคยได้ยินคําว่าใจกลางไหมหลวงปู่เทศนะท่านเป็นคนโบราณ น, นะถ้าอยู่ถึงเดี๋ยวนี้ก็าอายุร้อยกว่านะท่านบอกว่าคนโบราณ น, นะคําว่าใจนี่แปลว่ากลาง ว่าใจเนี่จะไปวักกลางงั้นผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางก็คือเข้าถึงจิตถึงใจตัวเองจะพ้นทุกข์ได้นะถ้ากรรมาฐานเรียนแล้วมาไม่ถึงจิตถึงใจสักทีรู้พุทโธก็จิตไปสงบอยู่กับพุทโธอย่างเดียวนะเห็นแต่พุทโธ ร, รู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเห็นแต่ลมหายใจดูท้องฟองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเห็นแต่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไปอยู่ที่เท้าเห็นแต่เท้าโลกนี้เหลือแต่เท้า อย่างนี้เรียกว่าไม่เข้ามาถึงใจนะถ้าจะถึงใจก็เดินจงกรมอยู่เห็นร่างกายมันดูจิตเป็นคนดูนะดูท้องฟองยุบอยู่เห็นร่างกายมันฟองยุบจิตเป็นคนดูนะพุโทโธอยู่ก็เห็นว่าจิตเป็นคนท่องพุโทโธเนี่ยค่อยฝึกให้เข้ามาที่จิตเข้ามาที่จิตแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงดูการทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาของจิต เราทำตัวเป็นคนดูที่สบายๆดูไปอย่างเป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันแต่ถ้าความยินดียินร้ายเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันมั น, นก็มีอย่างนี้เองไม่ยากอะไระพอไหวไหมทำมาไหวๆทำเป่ามาือธรรมะฟังเล่นๆไม่ได้นะฟังเราต้องทาเอาอมีใครจะถามอะไรไหม เก็บ <คน S 2> ไว้ประมาณยี่สิบคนครับอ้เยอะจังเอาว่ามานมามัตการหลวงพ่อครับผมฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามมาได้ประมาณปีเศษๆแล้วครับไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องตามที่หลวงพ่อแนะนํำหรือปเปล่าเรายังไม่เคยเจอกันเลยมาถามปฏิบัติถูกไหมจิตเป็นยังไงรู้สึกความเปลี่ยนแปลงของจิตหรือยัง ดีขึ้นครับหลวงพ่อเห็นไหมจิตมันถอยออกมาเป็นคนดูได้เยอะขึ้นดูออกไหมจิตเบาแล้วครับดูออกครับนะเห็นไหมโลกมันแยกออกไปห่างๆดูได้อย่างร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นแล้วครับนั่นแหละดีหัดดูอย่างนั้นนะครก็เห็นทุกอย่างนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองนะถ้าทุกอย่างเกิดเราก็ดับครับนะสักอย่างนั่นแหละดีนะครับนมสการ์ครับหลวงพ่อครับขอคําแนะนําในการปฏิบัติครับ โอ้ไม่ยอมบอกอะไรเราเสียอยากจะให้เราแนะนําหัดอะไรอยู่ล่ะตอนนี้ก็ดูจิตดูกายครับแล้วเห็นอะไรเห็นความเกิดตับเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่าจิตเขาไม่สามารถควบคุมได้เราเพียงแต่ถอยมาเป็นผู้ดูผู้รู้เท่านั้นครับอืมดีแล้วละ่ะหลวงพ่อครับสงกันบ้านครับหลวงพ่อให้ไปอ่านหนังสือแก่นทำคำสอนใช่ไหมครับทีนี้ลูกขี้เกียจอ่านหนังสือหรอลูกก็เลยขี้เกียจอ่านหนังสือก็อ่านใจครับ ลูกก็เลยขีย่มอเตอร์ไซค์เล่นมาที่วิหารหลวงปู่ดูล น, นะครับก็พิจารณาถึงที่หลวงปู่ฝากไว้ว่าจิตส่งนอกเป็นสมุทยัยผลของมันคือความทุกข์จิตเห็นจิตคือมาผลของมันคือนิโรธเพราะฉะนั้นเราหน้าที่ของเราคือดูจิตที่จิ ต, จตใช่ไหมครับใช่ครับก็ดูจิตที่จิตสิไปดูจิตที่บ้านได้ไง ดูจิตไปเรืยนะจิตทํางานยังไงคอยรู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตดีดีจิตร้ายรู้ด้วยความเป็นกลางครับขอวิหารทําที่เหมาะกับลูกครับือดูจิตได้ก็ดูจิตไปสิครับหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําอีกไหมครับือดูจิตไปสิสังเกตดูจิตถึงฐานไหมขนาดเนี้ยอาส่งใหม่ึ้นไปครับ ครับดูออกสาวว่าจิตตั้งมั่นไหมตอนนี้แหละครับตอนนี้ยังไม่ตั้งมั่นครับเออดูดูอย่างนี้ดูรู้ถูกแล้วเราฝึกนะให้จิตตั้งมั่นจิตต้องตั้งมั่นถึงจะเป็นผู้รู้ผู้ดูที่แท้จริงถ้าจิตกระจายออกนอกก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ดูที่แท้จริงครับแต่ถ้ามันไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าไม่ตั้งมั่นได้ใช่ไครับได้ครับนะรู้ด้วยความเป็นกลางครับอ่ะต่อไป กับน้ำมการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ส่งการบ้านนะคะก็หลังจากที่ไปส่งการบ้านที่สวนสันนิษฐานช่วงประมาณมิถุนาค่ะปฏิบัติมาประมาณเจ็ดแปดเดือนก็มาเห็นอยู่สภาวะหนึ่งที่ตอนนั้นกายหลับแล้วจิตขึ้นมารู้สภาวะในสภาวะตอนนั้นคือมันจะไม่มีความคิดไม่มีความจําได้ยินเสียงคนพูดแต่แต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครอไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องที่เขาคุยนะ่ะคุยเรื่องอะไรแต่ได้ยินแต่รู้ แต่แล้วมันจะไม่มีความปรุงแต่งอะไรเลยความคิดก็ไม่มีมีแค่รู้รู้รู้อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งกายเราตื่นขึ้นมาเราถึงคิดย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆตอนนั้นคนนี้นะชื่อนี้ชื่อนี้เขาคุยกันนะเื่าเรื่องอย่างนี้อย่างนี้แต่ในสภาวะที่รู้ตอนนั้นมันมันไม่มีความจําอะไรเลยค่ะก็ดีแล้วถูกถูกหรือเปล่าคะถูกสิเวลาที่เรารู้จริงๆไม่มีคําพูดหรอก รู้ตอนตื่นหรือหลับตอนนั้นตอนนั้นจิตตื่นคือส่วนใหญ่ที่ฟังธรรมะแล้วจิตจะชอบตื่นขึ้นมารู้สภาวะเป็นแบบนี้บ่อย ค, ออค่ะได้เวลารู้จริงๆนะไม่มีสมมติปัญญาตเลย ไ, ไม่มีคนพูดหรอกเงียบๆก็เห็นแต่สภาวะรุวนๆนเห็นมันทำงานไปตัวที่ไม่ทราบว่าวเขาเรียกว่าอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเรียกเลยเรีเข้านาให่นันแหละ จะเรียกมันทําไมนะ่ะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเรารู้ถูกทางหรือเปล่าหรืออะไรรู้ถูกสิรู้แล้วพูดจ่ายจ่าจอ ย, อยู่ข้างในนะรู้ไม่ถูกหรอกรู้เงียบเงียบนะรู้ถูกเคยได้ยินไหมเจ้าคุณนองเคยสอนของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนั้นภาวนานะข้างในนี่เงียบเงียบแต่ว่าไม่ได้นิ่ง เห็นความเคลื่อนไหวเห็นความเปลี่ยนแปลงนะแต่ไม่ภาคไม่ใช่มาบรรยายตลอดเวลาดีก็หลังจากนั้นก็เวลานั่งภาวนาเราไม่สงบเลยค่ะจะเป็นคือไม่นิ่งเลยจะรู้ ต, ต้องฝึกเหมือนกันนะทําสมถะบ้างให้มันสงบบ้างไม่มีความสงบเลยภาวนายากก็ภาวนาอยู่นะคะหลวงพ่อก็ดูลมหายใจแต่ว่า จิตเขาไม่รวมเหมือนเดิมอะค่ะอืมจิตมันจะเดินตัญญามันไม่ยอมรวมต้องน้อมมันมานะอย่าไปเดินตัญญารวดไปเลยนะถึงเวลาต้องให้จิตได้พักบ้างถ้าเดินตัญญารวดไปเลยนะเดี๋ยวฟุง้งซ่านไปมันดูไม่ได้จริงหรอกมันไม่มีแรงนะงั้นค่อยๆน้อมเข้าไปหาความสงบเป็นครั้งคราวนะพอจิตใจได้สงบจิตใจได้พักผ่อนบ้างแล้วนะก็ค่อย ออกมาเดินปัญญาต่อเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงการนมนสการเจ้าค่ะเคยกลับหลวงพ่อหลายครั้งแต่ไม่เคยสมการบ้านเลยเจ้าค่ะปฏิบัติส่วนมากจะติดสมถะค่ะอืแต่ตามรู้ตามดูนี่จะน้อยค่ะสัะเพอบ่อยค่ะอืเจออารมณ์กระทบทึงเจแบบตามแต่ตามช้ากว่าค่ะไม่ทราบว่าเอันไหนชัดเอันนั้นแหละอารมณ์กระทบใจแล้วรู้ได้ชัดเลย ก็ทราบผ่าแต่ชาค่ะอา้าวต้องให้ไวๆน ะ, ะให้กระทบตบรู้กระทบแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นที่จิตค่อยรู้ทันเอาเยค่ะก็ปฏิบัติอย่างนี้ถูกนอกจากค่ะจิตจิตตั้งมั่นยังจิตเป็นกลางไหมถึงฐานไหมขนาดเนี้ยถึงฐานมันมันเหมือนกับแบบว่ามันไม่รงมเป็นที่ะคะ่ะนั่นแหละตัว<ะ>นี้มีปัญหาน ะ, ะภาวานานะจิตต้องตั้งมั่นนะ จิตต้องถึงฐานของมันจริงๆภาวนาแล้วจิตจะล่องร่องลอยๆอยอยู่ข้างนอกองนี้ไม่ได้ะแต่ไม่ใช่ว่าถึงฐานด้วยการไปเพ่งไว้ข้างในนะอมันถึงฐานฐานของมันกลางกลางไม่นอกไม่ในอะไรหรอกหลวงพ่อเคยเข้าใจผิดนะได้ยินหลวงปู่ท่านสอนบอาอย่าส่งจิตออกนอกก็เลยส่งไปไว้ข้างใ น, นต่อมาวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมฮะหลวงปู่สิมท่านเคาะให้ท่านบอก ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี้แล้วก็งงนะเอ๊หลวงปู่ดูลว่าใหญ่ออกนอกหลวงปู่สิมให้ออกนอกี่ไปเจอหลวงปู่เทศท่านบอกว่าหมายถึงใหาให้รู้ด้วยความเป็นกลาง <Okay. S 1> ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ไหลไปทางโน้นไม่ไหลไปทางนี้จิตของเราไหลตลอดเวลารู้หรือเไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวไหลไปดู <Okay. S 1> เดี๋ยวไหลไปฟัง <Okay. S 1> เดี๋ยวไหลไปคิด <Okay. S 1> เี่ย เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนีจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เพราะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะถึงจะเดินปัญญาร่างกายมา course, ันจะแยกออกไปส่วนหนึ่งร่างกายเป็นของที่จิตจะรู้ร่างกายกับจิตเนี่ยเหมือนห่างๆกันออกมาเหมือนที่ตำรวจทําได้นความสุขความทุกข์ก็จะห่างออกไปกุศลอกุศลก็จะห่างออกไปแล้วทุกอย่างก็จะแสดงไตรลักษณ์ได้อย่างชัดเจนเลย นั่นจิตต้องตั้งมั่นนะถึงจะเดินปัญญาได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตยังคลุกอยู่กับอารมณ์เนะี้ยเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกเจ้าค่ะแล้วมาสักามาสกการ์ค่ะเออก็ฟังซีดีมาประมาณปีกว่าแล้วไม่ทราบว่าปฏิบัติมาถูกทางอย่างคะเป็นกิเลสไหมเห็นค่ะเห็นกิเลสแล้วเป็นไงไม่ชอบอะ่ะเดินแล้วรู้ไหมว่าไม่ชอบรู้ค่ะแล้วดิน้นรนจะแก้ไหม ใช่ค่ะเอองั้นยังไม่รู้หรอ ก, กถ้ารู้ก็ต้องรู้แล <ะ S 2> ้วเป็นกลางนะค่ะรู้ว่าไม่เป็นกลางด้วยรู้ว่ากดเน่ยนะให้รู้ตรงนั้นน่ะค่<ท>ะในที่สุดจิตมันจะรู้ด้วยความเป็นกลางขึ้นมาค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกให้ทําตามรูปแบบทํามาหลายรูปแบบแล้วยังไม่เจอรูปแบบที่ตัวเองแบบทําแล้วสบายอะค่ะอืมดูจิตแล้วสบายไหมแน่นแน่นค่ะโอ้ยอันนั้นเกิดจากจงใจ ก็ทราบว่ า, าวจงใจค่ะจะไม่ว่าไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรน ะ, ะถ้าทําด้วยความจงใจก็แน่นเหมือนกันหมดอ่ละก็เลยไม่รู้จะทําอะไรยังไงถ้ารู้<ด><ห>ทันว่าจงใจก่อนค่ะแล้วต่อจากนั้นล่ะคะอะไรนะรู้ทันว่าจงใจแล้วต่อจากนั้นนะคะมีอะไรให้รู้รู้ว่า น, นั้นสินะแล้วเราก็รู้โลกปัจจุบันไปเรื่อยเลยพะรู้ทันว่าจิตมันจงใจนะพอความจงใจมันดับไปนะมันก็เหลือแต่รู้รู้แบบไม่ได้จงใจนะ นั่นเราหัดรู้สภาวะทั้งหลายถ้ายัางจงใจรู้มนจะแน่นๆเป็นการไปดักรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเราดักรอดูนะไม่ใช่ของจริงรอ่ะถ้าของจริงก็คือเราเป็นคนดูสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ยางเงี้ยมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาให้ดูก็ค่อยดูเอาแต่ว่าพอมีสิ่งแปลกปลอมผ่านเข้ามาให้จิตรู้แล้วเนี่ยเราไม่วิ่งตามสิ่งที่แปลกปลอมไปนะจิตเป็นคนดูสบายสบาย เหมือนกับเราเห็นกิเลสแล้วเราก็ดูรู้ว่าม <do> <ail> ันเป็นกิเลสอย่างนั้นไหมคะคะเห็นกิเลสมาก็เห็นเลกิเลสเป็นของที่จิตไปรู้เข้ากิเลสกับจิตเป็นคนละอันกันนะอืออย่างนี้นะในสุดก็เห็นเลกิเลสกับจิตไม่เกี่ยวกันนะกิเลสมาแล้วก็ไปจิตเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่พอเรารู้แล้วมันจะดับเลยใช่ไหมคะใช่ถ้ารู้ถูกมันจะดับเลยอ๋อค่ะแล้วหนูรู้ถูกบ้างอย่างคะเปล่งใจเกล่งใจที่จะตับก็ถูกบ้างแหละเอ สัปกประกดิครับลุงปูดูนท่านเคยบอกสอนผมนะครับท่านบอกว่าให้ฝึกจนกระทั่งจิตเห็นจิตเด<อ>่นชัดเป็นทางตาเห็นภาพนะครับแล้วก็จะไม่รลงพลาดนะคร<ๆ>ก็จะไม่หลงทางนะครับท<ๆ>ี่ผมก็พยายามเขี่ยฝึกต่างๆเนี่ยนะครับแต่บางครั้งสิ่งที่เราไปรับรู้ต่างๆเนี่ยนะครับก็พอสรุปรวบรวมมาได้ว่ามันก็เป็นเรื่องของทางด้านกายนะครับเรื่อ ง, องทางทางด้านกายเรื่องของปัสจะ เรื่องของการพวกสัญญาต่างๆนะครับเรื่องของอการปรุงแต่งหรือสังขารต่างๆน northeast northeast northeast northeast greasy, ี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราที่ไปรับรู้จิตเนี่ยนะครับจิตตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนนะครับจิตนี่เกิดดับนะจิต ด, ดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกดวงหนึ่งเป็นคนไปรู้ดวงก่อนยกตัวอย่างจิตที่สมมติเราขับรถอยู่ตาเราเห็นคนมาป า, าดหน้าเราขณะที่ตามองเห็นเนี่ย มีจิตดวงหนึ่งเป็นคนเห็นเรียกว่าจากักขูวิญญาณจิตจิตที่เกิดที่ตาจิตดวงนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะเมื่จิตตัวนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับมันเกิดจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีจิตเห็นใช่ไหมใช่ครับนี่พอมีจิตเห็นถ้ารู้ทันอนี้ก็ไม่มีกิเลสถ้ารู้ไม่ทันนะ่ะเดี๋ยวกิเลสเกิดเช่นไม่พอใจ ไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยจิตที่ไม่พอใจกับจิตที่เห็นเขาขับรถทีแรกเนี่ยคนละดวงกันนะจิตเกิดดับเห็นไหมเห็นจิตอันแรกที่เห็นเขาขับรถเนี่ยดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็เกิดจิตที่ที่ไม่พอใจขึ้นมานะแล้วก็เกิดจิตที่รู้ว่าไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้ต่อต่อ เพราฉะนั้นอันอันหลังสุดนี่ก็จะเป็นสังขารใช่ไหมครับใช่ตร้างขึ้นมาสุดท้ายนะมันจะเข้าไปอในคําว่าจิตเห็นจิตของหลวงปู่ดูลนี่เป็นคําที่ลึกมากเป็นคําที่ลึกซึ้งที่สุดเลยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นอริยมรรคนะจิตจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งได้นะคําว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นอะไรเห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะนึกออกไหม ครับยังไม่เห็นว่ามันตกอยู่ใต้ใจรักนะยังไม่แจ้งเห็นแต่จิตครับมีอยูค่คราวหนึ่งนะครับครับก็พยายามนั่งติดนั่งอฝึกสมาธินะครับพิจารณากายในติดต่อกันมาเก้าวันพอในวันที่เก้าเนี่ยก็ปรากฏว่าร่างกายมันมันมันระเบิดมีเสียงดังนะครับหรือแต่กระดูกสันหลังอืก็พิจารณากระดูกสันหลังต่อนะครับ ม, มันก็ระเบิดไปหมดอืมแล้วไปอยู่ในสภาวะหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรเลยอ่านะแต่ว่า ถึงตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกเอเรารับรู้มองมาที่ตัวต่วตางๆนะครับไม่เห็นร่างกายใดทัด้งสิ้นแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็ยังมีความรับรู้อยู่นะครับในภาวะซึ่งเป็นอากาศสาาานะัทธนั่นแหละก็มีความรับรู้อยู่มีสัญญาจําได้ว่าเออเรากำลังนั่งสมาธิอยู่นี่ก็เกิดการปรุงแต่งไปว่านีไม่ได้นะลูกเรายังเล็กอยู่นะหรือเราตายไปแล้วเนี่ย ชักตกใจกลัวหรือแต่ก็กลับมาสู่นิรันดรนี่ไงมันคือ ไ, ไม่เที่ยงนะ้น ะ, นะและ้วคุณจะแก้ยังไงจิตไม่แก้จิตที่ว่างมันดับไปแล้วใช่ไหมมันเกิดจิตที่กลัวขึ้นมาแทนแล้วก็เห็นว่าจิตที่ว่างก็ไม่เที่ยงด้วยอย่างนี้นแล้วตรงที่ว่าหลวงปู่ท่านสอนบอกว่าพบผู้รู้ก็ทําลายผู้รู้ในเมื่อจิตเราเป็นผู้ที่รับรู้จิต ต, ตรงนี้อยู่แล้วเราจะทําลายทําลายเนี่คือทําลายความยึดถือนะกราบขอขอบคุณครับ จะทำลายความยึดถือได้ก็เห็นจิตมันตกใต้ใจลักนบอย่ยที่อาจารย์มหาบัวบอกอาแต่ย์ามาหาบัวก็สอนเแล้วเข้ามาถึงจิตนะสุดท้ายก็เห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจลักแล้วก็กวางการนราชการหลวงพ่อหลงพอส่งรายงานผลการปฏิบัติครับคือตอนนี้เห็นจิตเขาเกิดดับเห็นกิเลส ท, ทำงานแล้วก็ดับไปนี่ที่เห็นอยู่นี่เห็นถูกหรือเห็นจิตครับเอ้าถ้าเห็นจิตเกิดดับเห็นกิเลสเกิดดับ นะเราเป็นคนดูสบายๆก็เห็นถูกสินะจงใจมากไปหรือเปล่าอืมผมจงใจมากไปหรือเปล่าถ้าจงใจมากดูง่ายๆนะใจจแข็งๆแบบแข็งไหมบ้างถ้าอยู่ตอนหน้าหลวงพ่ออาจจะมีบ้างแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็สบายๆดูสบายๆนะแต่สบายๆต้องไม่ใจหลงกว้างๆออกไปนะีะใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวน ะ, ะถึงฐานมันใจที่ตั้งมั่นนี่มีลักษณะเป็นมันไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ อย่างอย่างที่เป็นอยู่นี่พอจะตั้งได้บ้างสักนิดตอนนี้มันจงใจกลัวหลวงพ่อเลยจงใจตัวนี้ผิดธรรมชาติอ่ะครับนะการทำพิธีการหลวงพ่อค่ะคือส่งการบ้านครั้งที่สี่อะค่ะครั้งที่สามส่งที่วัดบูนแล้วหลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูตรงว่างๆอ่ะค่ะหลวงพ่อบอกว่าตรงว่างๆนี่เป็นหลุมดําของนักภาวนานครับก็กลับไปก็พยายาม ก็ไปสังเกตนะคะว่าเออความว่างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอ่ะคะ่ะคือตอนก่อนนี่พอพอเห็นพอไปเห็นอะไรปุ๊บจิตไปรู้แล้วมันจะว่างว่างแล้วเราก็จะไปจมอยู่กับความว่างอย่าให้จมอยู่ในความว่างะนะที่นี้หลวงพ่อบอกแล้วมันไปสังเกตเนะะี่ค่ะแล้วมันก็เห็นว่าเออความว่างมันก็ไม่เที่ยงอ่ะคะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ เหมือนฉลาดขึ้นมานะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ฟังธรรมอะค่ะแล้วจิตมันมีความพอใจยินดีเกิดขึ้นก็ไปรู้ทันสภาวะความพอใจที่เห็นอยู่อ่ะค่ะแล้วก็มันมันมันเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราะะอ่ะค่ะค่ะแล้วไงล่ะแล้วทีนี้มันก็มันมันทวนกระแสขึ้นมานะค่ะหลวงพ่ อ, หอเห็นว่า เพราะมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วจิตไปรู้มันก็เลยเป็นมีความรู้เกิดขึ้นแต่พอเรารู้ทานไปจิตผู้รู้มันก็ไม่ใช่เราอะ่ะค่ะมันมันเป็นตรงนั้นขึ้นมาเลยอะค่ะไปดูบ่อยๆนะค<ะ>่ะถ้าดูจนกระทั่งเห็นจริงนะว่าเมื่อไหรเมื่อไหร่ก็ไม่มีเราอะ่ะคือใช้ได้ถ้ามีบ้างไม่มีบ้างก็พอใช้ได้ตามนิมัตการนะครับเอ่อ ผมคิดว่าตัวเองเริ่มดูจิตได้บ้างแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นี่ถูกต้องหรือเปล่าครับเห็นอะไรล่ะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับหนึงน่งๆครับต้องรู้ด้วยใจเป็นกลางนะครับใจตั้งมั่นถึงฐานไหมไม่ถึงครับนะ ม, มีปัญหาตัวนี้ให้รู้ทันว่าใจยังออกนอกอยู่จิตต้องไม่ออกนอก ควรจะฝึกยังไงอะครับ hmm? ควรจะฝึกยังไงอะให้รู้ทันให้รู้ทันว่าออกนอกแล้วมันจะเข้ามาพอดีออถ้าจงใจดึงจะให้พอดีจะแน่นไปเวลาที่เวลาที่เรารับรู้สภาวะปุ๊บเนี่ยฮะเราควรที่จะดูสภาวะนั้นต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับ ด, ดูที่จิตดูจิตพอเห็นสภาวะแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาให้รู้ที่จิตครับ คือว่าเราโกรธอย่างเงี้ยครับหเห็นความโกรธนะครับแล้วก<ล>็ไม่พอใจความโกรธครับเดี๋ยวรู้ทันแล้วที่ดูอยู่เนี้ยพอเห็นความโกรธความโกรธดับเนี่ยไม่แน่ใจว่าดับเพราะถ้าไปเพ่งนะใหญ่ก็นิ่งๆทื่อๆครับถ้ารู้โดยธรรมชาติธรรมดายแค่สติเกิดความโกรธก็ดับครับนะต่อไปรรการาบธรรมจักร หลวงพ่อที่เคารพมีปัญหาจะรบ ก, กวนหลวงพ่ออยู่สองข้อข้อที่หนึ่งยันดูลมหายใจยังไม่เป็นค่ะเพราะว่าพอดูลมหายใจไปสักพักหนึง่งมันก็จะกลายเป็นเพ่งลมหายใจไปจะมีวิธีแก้ไขยังไงให้รัวเพ่ง ใ, ให้รัวเพ่งถ้าเพ่งเรารู้ว่าเพ่งก็ค่อยๆคลายออกเจ้ากายรู้สบายบาย เจ้าค่ะนะถ้ารู้ด้วยความโลภอยากรู้ให้ชัดจะกลายเป็นเพ่งเจ้าค่ะนะถ้าอย่างนั้นเวลาเดินจงกรมก็ก็เหมือนกันเหมือนกันเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูดูสบายๆไม่ใช่ต้องดูแบบไม่ให้คลาดสายตาต้องรู้ตลอดเวลาถ้างนั้นจะกลายเป็นเพ่งเจ้าค่ะนะขอบขอบพระคุณเนี่ยนี่ข้อสองนะมีกี่ข้ออ่าอีกข้อสองค่ะสองข้อนะจ๊ะเจ้าค่ะเอ่าออกจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคือเมื่อได้ยัน อายุยังเหลือมากกว่านี้นะคะก็เวลาภาวนารู้สึกว่ามีแสงสว่างในท้องแต่เวลาที่อายุน้อยอย่างปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเลยค่ะสงบเฉยๆค่ะจะทำยังไงเจ้าคะ่ะแสงไม่สำคัญหรอกถ้าเห็นแสงแล้วจิตยินดียินร้นยนายต่อแสงก็ให้รู้ทันมันดับไปนานแล้วไม่มีมแสงก็งช่างมันเกิดอยากได้แสงรู้ว่าอยากอย่างนี้ก็ใช้ได้ละ แต่ปัจจุบันนี้มันสงบเฉยๆนะคะสงบระดีแล้วแสงไม่สำคัญหรอกค่ะคือดับไปนานแล้วพียงแต่เล่าเฉยๆนะคะแต่ยังมีปัญหาแค่นี้ค่ะทีนี้โอ้ขอโทษจะค่ะมีข้อสามอีกค่ะโอ้เลอเรียนวิีกี่ข้อหมดแน่ๆค่ะคืออยากเรียนถามว่าที่ดิฉันปฏิบัติมาอย่างกระท่อนกระแท่นปัจจุบันนี้ถูกต้องหรือยังคะไมถูก ปฏิบัติกระท่อนกระแท่นไม่ได้ <g ül> ไม่้เวลานี้ที่ทําทํามาเนี่ยค่ะมีส่วนถูกบ้างไหมคะต้องดีสิดีกว่าไม่ทําเลยนะค่ะ <c oughs> อย่างจิตเราไม่เคยสงบเลยเราได้ฝึกแล้วจิตมีความสุขมีความสงบก็ดีค่ะ <c oughs> เวลาเราจะทําผิดศีลผิดธรรมเราก็รู้ทันจิตนะจิตก็ไม่ไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่ก็ดีห <c oughs> มายความว่าที่ภาวนา this นถูกแล้วใช่ไหมคะที่ภาวนาดีแล้วนะค่ะ <c oughs> แต่ต้องรู้เท่ามาให้ถึงจิตถึงใจนะค่ะ ขอบพระคุณจะค่ะว่านาอยากคิดเยอะว่านาให้รู้ไปทุกอย่างที่มันเป็นดิฉันได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะตอนแรกฟังได้ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็จะรู้เห็นว่าเอ๊ร่างกายนี้ทำไมมันทุกข์มากค่ะทุกข์มากทีนิดทว่าเออย่างงี้นี่เนาที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เป็นไประยะหนึ่ง พอนั่งสมาธิต่อนงคืนทีนี้ตัวตัวเราเองมันสลับออกไปค่ะสลับออกไปสลับออกไปแล้วก็ก็นั่งต่อนั่งต่อไปเรื่อยๆอีกหลายวันต่อมาทีนี้มันทีนี่โลคปวดโลคปวดเอวมันก็เป็นอยู่ประจําค่ะทีนี้ปวดแล้วปวดช่างมันปวดได้ก็นั่งเอาหนอเอาหมอนเอาอะไรมันหนุนเอวนั่งไปนั่งมาใส่เกจไหมคุยแล้วเพลินเพลินแล้ว ใช่พอนั่งไปนั่งมาทำไมทำไมค้ายๆก็มีลมเป่าเป่าเอวขึ้นหรือไงไปแล้วก็หายปวดเอวไปเลยโอ้ก็ดีแล้วล<ะ>่ะ <c oughs> ให้รู้ทัน่ะเกิดดีใจรู้ว่าดีใจเกิด ส, <ะ>สงสัยว่าลมอะไรมาเป่ารู้ว่าสงสัยะนะภาวนาให้ถึงจิตถึงใจนะจะได้ไประโยชน์เยอ ะ, ะเออหลวงพ่อที่หลุดไม่เคยมีไหมคะจิบหลุดไม่เคยฟังไม่ออกว่ายกไมใกล้ๆปาก จิตหลุดเคยมีไหมคะหลุดไปไหนไม่รู้ตื่นเช้ามารู้สึกว่าเห็นจิตหลุดออกจากตัวนี่ได้ไจิตวิ่งหนีไปเที่ยวได้หนีไปทั้งวันเนะี่ยจิตไอ้ที่อยู่กับตัวไม่ค่อยมีดอกจิตหลุดเลยเกือบเกือบทั้งหมดแหละเห็นหลุดไปเลยนะอืมอะไปต่อไปคน้ำมัศการหลวงพ่อค่ะหนุปฏิบัติมาได้เกือบประมาณแปดเดือนค่ะฟังซีดีแล้วก็ตอนเช้าก่อนไปทํางานก็จะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งเหมือนที่หลวงพ่อบอกค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้หนูเป็นปฏิบัติถูกหรือเปล่าคะจิตเป็นไงโปร่งโล่งเบาไหมตอนนั่งตอนแรกๆมันจะรู้สึกอึดอัดนะคะแต่ทีนี้เราก็จะมีภาคใช่ไหมคะเหมือนก็ฟังหลวงพ่อว่าภาคก็ให้ภาคไปก็มันก็โล่งบ้างบางวันนะคะแล้วทําไมล่ะหนูก็เลยว่าหนูทําถูกหรื อ, อยังคะหรือว่ามีอะไรต้องแก้ไขอะไรยังไงอะคะก็หัดดูทุกอย่างนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ไปเรื่อยๆ นะรู้ได้จิตที่ตั้งมัน่นรู้ได้จิตที่เป็นกลางเรื่อยๆไปเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรคงที่สักอันเดียวนะแต่ถ้าพนานาแล้วเห็นแต่เรื่องคงที่ก็ไม่ถูกหรอกถ้าเห็นแล้วมีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่มีเราสักอันเดียวอย่็นที่ดีนะค่ะเราอีกข้อหนึ่งค่ะก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่เวลาทํางานใช่ไหมคะที่ว่าผมพ้อย ใ, ให้ดูแบบอ่าอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะหนูรู้ว่าหนูโกโรธใช่ไหมคะสมมติว่าหนูโกโรธคนนี้ปุ๊บก็รู้ว่าเราโกรธ น, นะคะ แต่มันเหมือนว่าจะต้องระบายออกอะค่ะก็คือเหมือนก็ว่าอาจจะดูดเข้าไปพอดูดไปเสร็จปุ๊บรู้สึกเสียใจอะค่ะตั้งใจรักษาศีลไหมโกรธได้นะแต่ว่าไม่ให้ผิดศีลไม่ไปว่าคนคแล้วก็พอโกรธไปแล้วเสียใจทีหลังเนี่ยก็รู้ทันว่าเสียใจค่ะครับคุณคุณค่ะ กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นใช่ไหมลูกสาวจับฉลากได้นะคะคือจะสอนลูกสาวเนี่ยให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิบ้างค่ะเอ อ, อยากจะขอวิหารและทําให้ลูกสาวด้วยค่ะอายุเท่าไหร่ละเอแปดขวบค่ะหลวงพ่อเหอแล้วเขาใช้อะไรอยู่ก็ให้สวดหมดแล้วก็นั่งสมาธิค่ะก็ให้ทําไปสินะแล้วค่อยๆสังเกตอยากกินขนมไม่รู้ว่าอยาก อยากดูการ์ตูนให้รู้ว่าอยากอยากแล้วก็ค่อยกินค่อยดูให้รู้ทันกิเลสซะหน่อย ส, อส่วนเด็ก อ, อย่าไปฝืนมากส่วนของหนูเนี่ยก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วนะคะแล้วก็เ อ, อตามรู้ตามดูในชีวิตประจําวันบ้างนะคะแล้วก็มาหลังๆนี้ก็ทําเต็มในรูปแบบอะค่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระ<ด>นะคะแล้วก็พยายามรู้คือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะเห็นกิเลสเยอะมากเลยค่ะก็จะแบบ คือแป๊บหนึ่งก็แวบแป๊บหนึ่งก็แวบไปเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าทําถูกหรือยังครับถูกสิเห็นกิเลสเห็นจิตบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีแต่ไม่ใช่แวบๆแล้วหายไปเลยนะก็ดึงกลับมาใจเป็นคนรู้คนดูจิลจะตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูค่ะขอวิหารธรรมของดูได้ก็ดูไปเลี้ยงลูกไปก็เอาลูกเป็นวิหารธรรมขอบคุณค่ะหลวงพ่อถามนััสการกับหลวงพ่อครับ เมื่อกี้ลูกสาวครับผมนี่ก็หลานพอดีผมก็จับฉลากได้เหมือนกันตั้งใจมาเพราะลู ก, ลกดูในเว็บวันหลงพ่อจะมาที่สุรินผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดกับลูกๆนะฮะที่บ้านทั้งหมดก็สวดมนต์ไหว้พระมานานครับีนี้เ่ผมก็สวดมนต์มาตลอดอพอฟังซีดีของหลวงพ่อดูออกมาให้ก็ก็ฝึกดูที่บ้านทํามาค้าขายครับ ก็มีหน้าที่ทํางานทําอะไรก็ผมจะสังเกตดูว่าร่างกายตัวเองทํางานนะฮะแล้วก็เขาทํายังไงจับยังไงนะฮะแล้วจิตใจนึกคิดไปยังไงก็รู้ไปแล้วก็กลับมามาอยู่ที่งานรู้ว่าตัวเองทําขีดตัวนี้จับตัวนั้นได้รู้ว่ามือจับไปถูก ถูกหรือเปล่าครับคุณพ่อครับถูกสินะครับร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกสักแล้วช่วงที่ผมทำงานเนี่ยถ้าลมพัดมาเนี่ยถูกที่ผิวเรารู้สึกว่ามันเย็นครับมันร้อนแล้วเห็นใจไหมก็บางทออีพอพูดกับลูกค้า บ, บางทีเขาพูดมาแล้วกระทบ อารมณ์เรามีอารมณ์ขึ้นก็รู้ว่ามีอารมณ์โกรธเขาก็ก็ก็เงียบไปหายไปครับรู้สึกง่าเงียบไปดีครับเสนนี่อยากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าช่วงที่ผมนั่งทํางานเนี่ยซึ่งผมจะทํางานช่วงกลางคืนเกี่ยวกับการบริกา ร, เ ก, กา เ, ร, ราเกี่ยวกับารขอญาติเรียนกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมทําเกี่ยวกับซ่อมนาฬิกาเรื่องผมซ่อมนาฬิกาให้ลูกค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราผมซ่อมไปห้าทุ่มหกทุ่ม แล้วทํางานไปทํางานไปก็ดูตัวร่างกายตัวเองทํางานอืแล้วก็เพลินไปเพลินไปเพลินไปแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงตัวนี้เป็นเพราะอะไรครับหลวงพ่อจิตมันมีสมาธิก็ไม่ง่วงครับผมมีสมาธิในการทํางานคทําให้ผมมองมองไปว่าเออถ้าผมจะทําไปทําไปนี่ถ้ายันสว่างก็ยังจะทําได้ไม่ง่วงมันสมควรทําแค่ไหนก็แค่นั้นครับผมสีพอรู้สึกว่าโอเคขึ้นไปพักผ่อนก็พอพอล้มตัวลงนอนก็ ดูร่างกายนอนฮะนอนไปก็ไม่รู้ว่าหลับช่วงไหนแต่จังจำไม่ได้ว่าหลับช่วงไหนครับช่างมันเกิดเรื่องนอนนะเอาตอนตื่นนีนแล้วกันครับนอยากกลับเรียนถามหลวงพ่อแทนภระยาภรรยามาด้วยฮะพอดีจับฉากไม่ได้อืรว่าเขานั่งสวดมนต์สมาธิแล้วชอบง่วงอืมไปเดินเดินนะครับง่วงเนี่ยไปนั่งมากเดินเอานั่งสมาธิหลับเนะยไม่เดียบครับ ขี้เกียจไปไ <c oughs> กล่าบขอบพระคุณครับส่วนต่อไปกลาวดมัเิกา ร, กรหลวงพ่อค่ะอี่ฉันปฏิบัติมาสองปีแล้วก็อาศัยได้อ่านหนังสือที่หลวงพ่อนะฮะทุกเล่มก็ทําไปเรื่อยๆตอนนี้ก็รู้สึกมันเย็นตั้งแต่คอนี้เย็นเป็นแกนอยู่ข้างในก็ไม่ทราบว่า ผิดวิถกโดยที่ใจนะเย็นขึ้นมาแล้วยินดีเขารู้ทันเย็นแล้วสงสัยเขารู้ทันภาวนาเอาใจเป็นหลักไปนะเรียนเข้ามาให้ถึงใจให้ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจนะกราบขอบพระคุณกราบธรรมสถานครับหลวงพ่อทิศรกกับผมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมไม่ทราบว่าผมเป็นอะไรคือทุกครั้งที่ฟังสิรีหลวงพ่อ ฟังเพลินๆไปเนี่ยก็จะมีอาการหรู้ว่ามันเป็นปีติแต่ผมมักจะหัวเราะขึ้นมาเสมอเื่อเจอกับสภาวะแบบนั้นผมก็เลยกังวลว่านี่ทำไมเราต้องหัวเราะด้วยเราคล้ายๆว่ามันลิงโลดหรือประมาณนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันมีพระอาจารย์รูปหนึ่งบอกว่าผมเป็นคนซึมแต่ผมเป็นคนคิดมากผม ดูได้แต่ความเผลอตัวกับ hmm. เผลอเผลอแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วก็รู้สึก hmm. มีอยู่ตอนแรกๆเนี่ยมันก็มีความสุขสนุกสนานกับการดูนะครับมาช่วงหลังๆประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยรู้ว่าเพ่งครับลงไปจ้องมองดูและทุกครั้งที่รู้ตรงนี้พอรู้ตัวว่าเผลอแล้วหลังจากที่รู้ตัวมันต่อกันอย่างรวดเร็วแล้วก็รู้เลยว่าไปเพ่ง แล้วก็รู้อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งก็ตัวเองรู้สึกว่ามันมันไปไหนไม่ได้ครับคือพยายามอยู่กับปัจจุบันนะเพ่งเนี่ยเกิดจากจงใจมากไปยาามรู้ตัวไปสบายๆ ย, ย, ยืนเดินนั่งนอนคอรู้สึกไปตามองเห็นหูได้ยินเสียงใจคิดนึกคอยรู้สึกดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงสงสัยสงสัยทราบไหม ทราบครับเนรู้ว่าสงสัยเนรฝึกภาวนาฝึกอย่างนี้แหละจิตกําลังสงสัยอยู่รู้ว่าสงสัยแค่นี้เองก็จะเห็นเลยความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงสัยไม่ใช่จิตหรอกนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยอะไรๆเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้นะกาขอบคุณครับแล้วที่เราหัวเราะล่ะครับหัวเราก็เรื่องของมันใจเป็นคนดูไปนะเห็นร่างกายหัวเราะใจเป็นคนดู ครับ ข, ขอบคุณครับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะหนูฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสิบเดือนแล้วนะคะตอนแรกๆที่ฟังเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นกิเลสเท่าไหร่แต่มาช่วงระยะหลังเนี่ยเห็นเยอะมากจนแทบรับตัวเองไม่ได้ตอนน่นาเป็นนะเห็นแต่กิเลสทีนี้เ อ, นอหนูอยากแะถามว่าอหนูสังเกตว่าถ้าเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะเห็นคือรู้สึกตัวเนี่ยบ่อยทีนี้ถ้าเราไปทํางานเจอกับคนอื่นเนี่ย เราจะเราก็นานดูนะเวลาทํางานดูได้บ้างไม่ได้บ้างคเวลาอยู่กับคนอื่นกิเลสเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาเวลาที่เหลือก็อยู่กับ ง, งานคทีนี้หนูสงสัยว่าถ้าคือบางทีเราเผลอนานเนี่ยบางทีมันถึงว่าเหมือนกับใจเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องไปไปเข้าแบบวิปัสสนากรรมฐานตามวัดป่าอะไรอย่างนี้จําเป็นหรือเปล่าก็ <c oughs> หัดไปอยู่ที่บ้านก็หัดได้พูดโธไปนะจิตหนีไปแล้วก็รู้ทนันหายใจไปจิตหนีไปแล้วก็รู้ทันก็ตั้งขึ้นนะ ขอบพระคุณค่ะรัศการหลวงพ่อค่ะลูกมาจากจังหวัดสีสเกตนะคะ เ, เมื่อเมื่อพุชภา้นพุชภาเคยฝากแฟนส่งการบ้านที่สวนสันติธรรมแล้วแล้วหลวงพ่อบอกว่าอยากให้หแฟนพามาค่ะจะขออนุ ญ, ญาตรายงานผลการปฏิบัตินะคะลูกไม่เคยไม่เคยฝึกกรรมฐานอะไรเลย อดูจิตแล้วก็โดยการฟังซีดีของหลวงพ่อเป็นเวลาเกือบสองปีแล้วค่ะอ่าแรกๆที่ดูก็มีความสุขกับการดูมีความสุขที่จะได้ดูจิตดูไปดูมาสติเกิดเร็วขึ้นอพอที่ต้องอยู่กับตัวเองคือเวลาไม่ได้ไปทํางานอ่นะคะอยู่ตัวเองอเห็นในความยิบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งจนจนตัวเองเหนื่อยอแล้วก็เกิดความรู้สึกรําคานก็รู้ว่าลำคาญทีนี้ก็ ไม่ทราบว่าจะจัดการกับตัวเองยังไงถึงถึงเวลาก็ทําความสงบบ้างอ่าสิ่งสิ่งที่ทําให้รู้สึกสงบได้คือฟังซีดีหลวงพ่อจิตจะจิตจะสงบได้การฟังซีดีได้นะก็เป็นสมถะแต่พอตอนไม่ได้ฟังมันก็คิดคิดไปเรื่อยๆอย่าฟังจนติดสิฟังไปนะแล้วก็จิตสงบพอสมควรแล้ว้ทีีนมาดูจิตต่อคิดไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคิดถึงถึงอ่าอ่ากระตุ้นที่ตัวเองเคยดูนะคะเขาบอกว่า เคล็ดลับเคล็ดลับในการศึกวิชาเขาอ่นะคะเคล็ดลับคือไม่มีอะไรพอคิดถึงตรงนี้ได้ปุ๊บจิตมันคลายออกมาเลยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ได้แล้วอยู่อยู่กับความรู้สึกของตัวเองที่คิดไปไดเรื่อยๆได้แล้วค่ะ hmm. แล้วทีนี้ก็ก็เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเองเห็นว่ายินดียินร้ายเนี่ย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่แปกความเข้ามาในจิตมันทําให้หนักมากคือวันนึงไปทํางานแล้วแล้วโดนตําหนิโดนโดนคําพูดที่ทําให้เราไม่พอใจเราก็รู้สึกเศร้าอ่ะนะคะพออีกวันต่อมาโดนชมอืพองใจพองใจพองก็เป็นอะไรที่ทําให้หนักเหมือนกันเพราะงั้นจะยินดีหรือหยินร้ายก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกความเข้ามาในจิตใจเราค่ะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนั่นแหละเรียกว่าภาวนา แล้วทีนี้ลูกอยากถามว่าลูกปฏิบัติถูกทางหรือยังถูกสิแล้วคำว่าจิตถึงฐานในลูกก็ไม่ทราบว่าถึงหรือไม่ถึงนะคะขณะนี้จิตมันถึงหลวงพ่อไม่ถึงฐานดูออกเปล่าล่ะจิตมันวิ่งไปรีดน่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจิตวิ่งไปเรารู้ทันนะจะเข้าฐานของมันเองอ่ะต่อไปขอบพระคุณค่ะนามสการค่ะ ดีฉันเพิ่งฝึกปฏิบัติทำจริงๆก็แค่สองสาเดือนนี้ค่ะก็เริ่มต้นโดยการสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นเนื่องจากกิจการค่อนข้างจะยุ่งนะคะก็เลย ม, มากจะอาศัยปรึกษาจากเพื่อนที่เคยปฏิบัติมาคลองเพื่อนก็แนะนําให้นองภาวนาดูอืภาวนาช่วงแรกเนี่ยจะมีการพูดคุยกับตัวเองค่ะคุยหนักเข้าหนักเข้าก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกทางไม่ถู ก, ถกหรอกไม่ใช่นับเพื่อนะค่ะ ครันี้ก็เลยตามลมหายใจอพอตามลมหายใจปรากฏนิ่งมากเลยค่ะนิ่งแต่ไม่เกิดปัญญาเพื่อนก็แนะนําว่าให้ลองเดินจงกรมออืเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาหรือแต่เท้าค่ะเพื่อนไปเพ่งสิค่ะนะมันเพ่งก็เลยเปลี่ยนวิธีการครั้นี้ตามตามปัจจุบันตัวเองค่ะเพราะเนื่องจากตัวเองเป็นคนค่อนข้างขี้หงุดหงิดแล้วอารมณ์อารมณ์ร้ายอจะสังเกตเห็นว่าถ้าอารมณ์ดีๆเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเหมือนกับเผล่นะคะ แต่วันไหนพอมีความรู้สึกโกรธจะรู้ทันที่เอาเราโกรธโกรธแล้วก็เงียบแปลรู้สึกว่าที่ดีเกิดขึ้นกใหม่ๆห ม, ม่ก็อย่างนั้นแหละใช่ไหมคะดิแต่สิ่งที่ตัวเองมีความรู้สึกอาจจะจ ะ, จะตามทันก็คืออารมณ์ที่ไม่ดีจะจะจะรับรู้ได้เร็วขึ้นอารมณ์ที่เจอด้วยโทสะนะค่ะมันไม่มีความสุขดูง่ายส่วนอารมณ์ที่เจอด้วยราคะมันเผลอเพลินง่ายคะนะหัดใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแหละแต่ต่อไปพอฝึกหัดรู้หัดดูบ่อยๆนะ ถ้าจิตมีความสุขขึ้นมามันก็รู้ทันจิตยินดีพอใจในความสุขก็รู้ทันนะแล้วยังไงจะไม่ให้ติดกับความสุขแล้วก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ติดความทุกข์นี่แต่เองทราบค่ะติดความสุข์สิถึงเกลียดความทุกข์ถ้าไม่ติดความทุกขก็ไม่เกลียดมันหรอกค่ะเพราะฉนั้นร่วมความแล้วยังทุกข์ก็ติดนะสุขก็ยังติดอยู่เพียงแต่ว่าหัดรู้หัดดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวฝึกดูไปอย่างนี้เรื่อย ในสุดจิตมันก็เกิดปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยร้อนไป ด, ดับทั้งสิ้นมีแต่ของชั่วคราวนะบา ง, ง, างวันเราจะฟุ้งซ่านมากค่ะท่านเออนะอย่าให้มันฟุ้งมากทําความสงบบ้างฟุ้งอย่างเดียวพาวนาไม่ได้นะค่ะ <บน S 2> แล้วปฏิบัติต่อไปอย่างนี้เรืเ่อยๆได้ใช่ไหมคะฝึกไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าอย่าให้มันฟุ้งไปนะให้มันอยู่กันเนื้วกับตัวไว้การมัจจุราชหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาปีกว่าๆแล้วครับผม อยากขอาการบ้านสั้นๆครับการบ้านก็มีจะดูกายดูใจนะถึงเวลาก็ทําความสงบเพราะว่าพื้นฐานเลยต้องรักษาศีลมีศีลไว้ถึงเวลาก็ทาํ า, า, ววาทความสงบบ้างแล้วก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายทํางานเหมือนเห็นคนอื่นดูจิตใจมันทํางานเหมือนเห็นคนอื่นคุณพ่อครับเวลาที่มันหมดเรื่องหมดแรงในการดูจิต ด, ดูกายเนี่ยเวลาเราทําความม<ำ>าถามมันทําไม่ลงครับอยากขออุบายที่เหมาะกับตัวเองครับชอบอะไรมีความสุข ทำอะไรแล้วมีความสุขลองลองดูลมหายใจลองบริกรรมแล้วมันก็แน่นๆนะครับเฮ้ย น, น่นแ่นทำด้วยความโลภสมถะไม่ได้ทำด้วยความโลภนะจะทำสมถะเนี่ยก็หาอารมณ์ันหนึ่งมาอยู่ที่อารมณ์ที่อยู่แล้วก็อยู่สบายๆนะเช่นอยู่กับพุโทโธแล้วสบายดูไปเล่นๆจะสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญถ้าทำเพื่อจะให้สงบเนี่ยจะไม่สงบหรอกนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ต้องทาให้สบายสบาย แต่สบายมากไปจะเผลอนะอ่ะไปคนสุดท้ายหลวงพ่อครับอ๋อครับเขาขอให้่าแม่ยายหน่อยครับขอคําแนะนําให้ท่านหน่อยหล่ะแม่ยายท่านปฏิบัติมานานแล้วครับอยู่ข้างเสานี่ครับทําไมแม่ยายเป็นยังไงมีแม่ยายกี่คนอ๋อนะเรต้องถามก่อนเดี๋ยวมีแม่ยายส่งไปหลายคนอ่ะกลับมาจัดการหลวงพ่อค่ะก็ไม่มีอะไรสงสัยหรอกค่ะแต่ว่าอยากจะ ฝึกไว้นะฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆอ่ะดีแล้วนะที่ฝึกอยู่รู้สึกไปเรื่อยค่ะนะไม่ให้มันล่องลอยไปดีถ้ามันล่องลอยไปให้รู้ทันอแค่นี้เองคุณค่ะมีอีกไหมหมดแล้วครับก็ต่อไปก็ขอผู้แทนถวายใบปรินาแล้วก็เป็นผู้แทนถวายสิ่งของแล้วก็รับพรครับเอาอันเดียวก็ได้เป็นตัวแทนนะไม่ต้องยกทั้แทนท่านเดียวก็ได้ครับ ครับถาวายเลยครเอามาชิ้นเดียวก็พอนะนะครับถาวายเสร็จแล้วเนาะรับพอนนะยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาขรางเอวเมวาอีโตทินนางเก ต, ตานางอุปกะปฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังชิปเะเมวาสมิ ช, ชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทพนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา สัพพีติโยวิวัตชนตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวั ต, ว, ตวันตรายโยสุขีทีขายโยปภาวะอภิวาธนาศีลิสนิจังุุธาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนานะเข้าของกับปัจจัยที่ถวายหลวงพ่อหลวงพ่อถวายต่อให้วัดบุรพารามนะ